พระพุทธศาสนาของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้กับในสมัยพระพุทธกาลเป็นเหมือนคนลศาสนากันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันในสมัยพระพุทธกาลนี้จะเกิดพระอริยบุคคลกันมาก มีพุทธศาสนิกชนศึกษาปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากมีทั้งผู้ครองเรือนมีทั้งนักบวชที่เป็นพระอริยบุคคลแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา มีแต่ทาวอลวัตถุมีทาวอลวัตถุมากมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีวัดเต็มไปหมด่ในแต่ละวัดี้หาพระอริยบุคคลไม่มีไม่เจอในสมัยพุทธกาลวัดไม่ค่อยมีมีแต่พระอริยบุคคล พระปรปฏิบัติกันในป่าในเขาไม่ได้อยู่ตามวัดเหมือนในสมัยนี้วัดก็เป็นวัดป่าวัดเขาไม่ได้เน้นอยู่ที่ท้าวลวัตถุที่อยู่อาศัยกุฏิศาลาก็เป็นแบบอพออยู่ได้ไม่ทาวรไม่รู้ลา พอใช้หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสร้างวัดแนมะ้แต่วัดเดียวมีแต่สร้างพระอริยบุคคลสร้างพระอรหัน์สร้างพระโสดาพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระอรหัน์เต็มไปหมด มีผ้าอัหันร้อยหรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามคิดดูสมัย พ, พระพุทธเจ้าท่านผลิตแต่พระอริยะบุคคลสมัยปัจจุบันผลิตแต่วัดวาอารามผลิตแต่เาวลวัตถุผลิตแต่พระพุทธรูป วัตถุมงคลเต็มไปหมดอวัดหนึ่งมีพระพุทธรูปเป็นร้อยมีเทา้ามีวัตถุมงคลเป็นหมื่นเป็นแสนแจากกันแบบไม่อั้นไปงานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันทีจะมีแจกวัตถุมงคลกันเต็มไปหมดญาติโยมมีพระห้อยคอกันเต็มไปหมดอ นี่คือศาสนาพุทธในปัจจุบันซึ่งเปียบเป็นเหมือนเปลือกทาวรลวัตุนี่เป็นเหมือนเปลือกของศาสนาเปลือกของผลไม้เนื้อของศาสนาคือพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์อันนี้เป็นเนื้อของศาสนา สมัยนี้มีมีแต่เปลือกเนื้อมีนิดเดียวถ้าเป็นทุเรียนก็เปลือกหนาแต่เม็ดทุเรียนนี่เม็ดนิดเดียวแล้วก็เนื้อทุเรียนก็เป็นผิวบางๆเคลือบเม็ดอีกทีนึงเคลือบเมล็ดทุเรียนอีกทีหนึง่งมีนิดเดียวพระอริยบุคคลสมัยนี้หายาก น า, นานจะมีปรากฏขึ้นมาสักองคหนึ่งนี่คือความแตกต่างของศาสนาของพระพุทธเจ้ากับศาสนาของพวกของพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยสมัยพระพุทธเจ้าก็มีแต่ผลิตบัณฑิตนะบัณฑิตระดับ ปริญญาตุยปริญญาโทรปริญญาเอกสมัยนี้ไม่ผลิตบัณฑิตผลิตแต่อาคารอาคารเรียนมีสาขาเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีอาจารย์สอนไม่มีนักเรียนมาเรียนปลูกสร้างอาคารมีเป็นวิทยาเขตเต็มไปหมด แต่ไม่มีนักศึกษาที่เรียนจบปริญญากันมีก็น้อยนานๆจะมีจบปีหนึ่งจะอาจจะมีคนสองคนมีนักสิรนักศึกษาเรียนกันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่จะแต่รับปริญญากันไม่กี่คนเพราะว่าไม่มีการสอนไม่มีการเรียนนักศึกษาก็ไม่เข้าห้องเรียน ครูก็ไม่มีสอนครูไม่มีสอนนักศึกษาก็เลยไม่มีไม่ไม่ได้เรียนเพราะนักศึกษาจะเรียนได้ก็ต้องมีครูคอยสอนคอยบอกหรือครูที่สอนก็สอนไม่รู้เรื่องสอนแบบฟังไม่รู้เรื่องสอนคนละภาษากันนักเรียนนักเรียนใช้ภาษาหนึ่งครูสอนอีกภาษาหนึ่ง ญาติโยมใช้ภาษาไทยพระเทศภาษาบาลีสวดภาษาบาลีไรไม่รู้เรื่องบทสวดมนต์ต่างๆนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นิบนพระไปสวดตามบ้านพระไปสอนญาติโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ไมีค่อยมีคนฟังกัน เวลานิมนต์ไปบ้านไปสวดมนต์นี้จะมีคนแก่ไม่กี่คนมานั่งฟังพระเทศพักฟังพระสวดคนหนุ่มคนสาวก็จะไปต้อนรับแขกไปอยู่ที่โรงครัวเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารเตรียมต้อนรับแขกปล่อยให้คนแก่สองสามคนนั่งฟังพระสวดฟังก็ไม่รู้เรื่อง นั่งฟังก็คอพับกันพราะพระสวดภาษาบาลีคนคนฟังใช้ภาษาไทยเลยฟังไม่รู้ว่าพระสวดอะไรพระกำลังสอนเนี่ยมงคลต่สูตรเอเซวนาจจบาลานังบันฑิตานันจจเซวนาเนี่ยกำลังสอนธรรมะมงคลอย่างยิ่งออตัมมังกาลมุตตัมัง ญาติโ ย, ยมฟังไม่รู้เรื่องฟังแคือ่าฟังอะไกาลังมังมีแต่กาลัมังกาลัมัม ง, มงเอตัมมังกาลามุตัมมังนันนะกําลังสอนธรรมะรู้เปล่าอาเซวนาจะบาลานังแปลว่าอย่าคอบคนพานคนพานแปลว่าคนง้อคนไม่ฉลาดอาเซวนาอย่าเซยวนา อยากคบค้าสมาคมกับคนโง่ไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับความฉลาดให้เสวนาบันดิตบันดิตานั่นจะเสวนางแปลว่าให้คบบันดิตคบสมาคมกับบันดิตเพราะจะได้ความรู้ความฉลาดจากบันดิตนั่นเองคนบันดิตก็คือคนฉลาดที่เราเรียกว่าคนที่จบปอตีปอโทปอเอกนี่เราเรียกว่าบันดิต แต่สมัยนี้ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยไม่รู้ว่าพระสวดอะไรคิดว่าเป็นเป็นคาถาอาคมที่จะป้องกันไม่ให้พูดผีปีศาจเข้ามามาทำร้ายคนที่อยู่อาศัยในบ้านเวลาคนขึ้นบ้า น, านใหม่มักจะนิยมนิยมนิมนพระไปไปสวดมนต์ไปสว ด, ดเพื่อที่จะได้ ขับไล่พูดผีปีศาจต่างๆเสร็จแล้วยังให้พระเจิมด้วยเห็นหต้องเอาพระต้องเอาแป้งไป เ, เจิมไปที่ตรงประตูี่พูดผีปีศาจจะได้ไม่เข้าม า, าแล้วยังต้องให้พระอาบน้ำมนให้อีกอชำระความสกปรกของญาติโยมด้วยน้ำมนชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงด้วยการประพรมน้ำมน แล้วมันได้ผลไหมนะมันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นพิธีกรรมทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นการกระทาที่จะขับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆให้พ้นไปจากใจพ้นจากตัวของญาติโยมต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยถ้าทาตามมงคลสามสิบแปดข้อได้เนี่ยไปถึงนิพพานเลยนะ มงคลสาสิบดนี้สอนตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สาสิบปดขั้นสามสิบแปดนี้คือไปถึงพระนิพพานสอนไล่ไปตอนสิ่งข้อที่หนึ่งนี้สาคัญที่สุดการครบคนถ้าคบคนโง่คนโง่ก็จะพาเราโง่ไปคนโง่เช่นคนชอบอบายยมุขนี่เรียกว่าคนโง่ถ้าไปคบกับคนที่ชอบอบายยมุกเขาเสีอบายยมุก เขาก็จะชวนเราไปเสบบะบา ย, ยมุกเขาชอบกินเหล้าเขาก็ให้ hey, กินเหล้าไหมมีเหล้าไปที่บ้านเขาก็มีเหล้าเต็มไปหมดถ้าชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าชอบเที่ยวอชอบชอปปิ้งชอบอะไรทางมห์หอรอศบันเทิงก็จะชวนเราไปไปไหมคอนเสิร์ตเดือนนี้มีคอนเสิร์ต อดี๋ยนี้มีระบัมเดี๋ยวนี้มีบารเล่มีอะไรต่างๆอมีภาพยนตร์อจะชวนเราไปเพราะเขาชอบอย่างนี้เขาดูอย่างนี้เขาทําอย่างนี้พอเราคบกับเขาเขาก็ต้องชวนเราไปทําในสิ่งที่เขาชอบถ้าเราไม่อยากจะเสียเพื่อนเราก็ต้องไปกับเขาเก่งใจเข า, านี่คืออย่าไปคบบัณฑิต อย่าไปควบคนผ่านคนง่อคนที่เสพอบายามุกนี่ถือว่าเป็นคนง่อเพราะไม่รู้ว่ากำลังเอายาพิษมากินนั่นเองอบายามุกนี่เป็นเหมือนยาพิษเสพ บ, บ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเพราะอบายามุกไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่เสียเสียเงินเสียทอง ถ้าจ่ายไปเรื่อยแล้วไม่มีเวลาไปหาเงินหาทองเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช่พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินในทางที่มีชอบเพื่อมามาใช้พราไม่เช่นนั้นก็จะต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปกลับเขาได้ไม่สามารถไปเสพบายยามุกได้ อาบายามุกนี้ถ้าเสจแล้วมันจะติดถ้าเคยเที่ยวแล้วมันจะติดเที่ยวเคยดื่มสุราแล้วมันจะติดดืม่มโซราเล่นการพนันมันก็จะติดการเล่นการพนันอาบายามุกนี้มีห้าเล่นการพนันดื่มสซดาเที่ยวเตรครบคนชี่ชอบอาบายามุกเป็นมิตรและความเกียดคร้านเด็กนั้นการกระทำเหล่านี้ ถือว่าเป็นอบายามุขทำไปแล้วจะทำให้ผู้ที่เสบอบายามุขนั้นหมดเนื้อหมดตัวขาดเงินขาดทองเพราะไม่เป็นการกระทำที่ไม่เกิดรายได้เป็นการกระทาที่มีแต่รายจ่ายจ่ายไปอย่างเดียวไม่มีรายรับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขาดทุนนมละลายต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบเพราะ กนที่เสพอบายามุขมากๆจะไม่มีเวลาไปทำงานจะไม่ไปทำงานทำการจะไม่มีรายได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบทสวดมนต์ต่างๆที่ญาติโยมสวดกันสวดจนจนปากเปียกปากฉีกนแต่ไม่รู้ความหมายของบทที่สวดกันในวัด ก็มีการสวดมนต์ทุกคืนมีสวดพระสูตรต่างๆสวดธรรมจากกัปวัตตนสูตรสวดอนัตตลกขณสูตรสวดอาทิตยสูตรสวดสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนี่พระสูตรสําคัญต่างๆที่จะสอนให้ชาวพุทธเราบรรลุปเป็นพระอริยะบุคคลกั น, น แต่เมื่อสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายก็เหมือนกับนกแก้วดีๆนี่นกแก้วเราก็สอนให้มันแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่เวลาเราหยิบแก้วไปให้มันมันสายหน้ามันไม่เอามันจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋าพอหยิบกล้วยให้มันนี่มันคว้ามับเลยพอหยิบเพชรให้มันมันโยนทิ้งไปเลยแก้วก็คือเพชร่ยแก้วนี่คือเพชรนินจินดา มันล้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าแล้วคิดมันต้องการแก้วเราก็เลยหยิบเพชรให้มันพอมันให้เพชรมันมันก็เขี่ยทิ้งไปโยนทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้เมื่อพอหยิบกล้วยให้มันนี่มันคว้ามับเลยกัดเลยกัดกินเลยพวกเราเราก็เหมือนกันพวกเราสวนธรรมะกันตาเวลาปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติธรรมกันเราปฏิบัติกิเลสกัน กิเลสคืออะไรคือความอยากได้ในลาบยศสรรเสริญความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันอันนี้แหละพวกเราเป็นเหมือนนกแก้วกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชรไม่รู้ว่าธรรมะที่เป็นเพชรนี่สอนให้เราทำอะไรกันเรากลับไปเชื่อฟังกิเลสกิเลสเหมือนสอนให้เราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปถ้าเราทำตามกิเลสเราจะเป็นปุถุชนไปได้เรื่อยเราจะไม่มีวันที่จะบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้แล้วเราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆมาเกิดเป็นปุถุชนตายไปก็ไป รับผลบุญผลบาปในอบายหรือไปสวรรค์แล้วต่อจากนั้นก็ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำตามกิเลสตัณหาความโลภความอยากใหม่กลับมาห า, าลาภยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกันใหม่เข้าวัดก็ไปสวดมนต์กันแตะไม่รู้ความหมายของการสวดมนต์ว่าสวดเพื่ออะไร การสว่วนมนตนี้เป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สวดบทภาษาไทยเลยไม่เข้าใจความหมายไปสวดบทภาษาบาลีก็เลยไม่รู้ว่าธรรมะสอนให้เราทําอะไรกันธรรมะสอนให้เราทำ ถ้สวดบทธรรมจากนั้นท่านสอนให้เราจเจริญมากมากแปดให้เรามีศีลสมาทิปัญญาให้เราจเจริญศีล ส, สมาทิปัญญามากแปก็คือศีลสมาทิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรก็คือปัญญาสัมมากรมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรก็คือศีลสัสามมา สติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโม О อันนี้ก็เป็นสมาธิสอนให้เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันพอศีลสมาธิปัญญาเป็นบันไดสู่การเป็นพระอริยบุคคลเป็นบันไดสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นบันไดสู่พระนิพพานกันะ แต่เราไม่รู้ว่าเราสวดอะไรกันสวดไปรรมาจากสวดอนัตตอนัตตลักขณะสูดก็ไม่รู้ว่าความหมายแปลว่าอะไรความหมายก็คือทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟแม้ว่าจะเป็นร่างกายของเราแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรต่างๆที่เราผลิตกันขึ้นม า, เ ป, นน า, า, านนเป็นนัตตาทั้งนั้นเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเงียนวายตายเกิดได้แต่จะทําให้เราติดอยู่กับติดอยู่กับวัตถุต่างๆติดอยู่กับดินน้ําลมไฟ จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพื่อมาหาดินน้ำลมไฟกันอยู่เรื่อยๆที่มาเกิดก็เพราะต้องการมีร่างกายร่างกายก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเรามีกิเลสตัณหาที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลภภิ่นรสผลธัพพะเราก็เลยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ออล่างกายอันนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีกิเลสตัณหามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมีความอยากได้ราบยศสรรเสริญก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใหม่ แต่ถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่เราหามันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟมันไม่ได้เป็นของวิเศษวิโสอะไรให้ความสุขความดีใจชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นเองแต่พอไม่ได้ใส่ไม่ได้สัมผัสก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้ไปเที่ยวนี้ดีใจกันมีความสุขกันพอเวลาไม่ได้ไปเที่ยวนี้ทุกข์กัน เวลาติดคุกนี่ไปเที่ยวไม่ได้ไม่มีใครอยากจะติดคุกกันความจริงอยู่ในคุกสบายกว่าไม่ต้องทำงานมีข้าฟรีบ้านฟรีมีอรอปพฟรีน้ำไฟฟรีอยู่เฉยๆแต่อยู่กันไม่ได้เพราะชอบเที่ยวต้องไปนู่นมานี่ต้องดูต้องฟังต้องเห็นอะไรพอเขาจับไปขังอยู่ในกรงให้อยู่เฉยๆก็เลยทุกข์กันนี่แหละ นี่คือปัญหาของจิตใจของพวกเราทุกคนจิตใจของพวกเราถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหลอกให้เราไปหาความสุขจากดินน้ำลมไฟกันนี่สิ่งที่เราเห็นด้วยตานี่เป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นน่ะแม้ว่าจะเป็นอะไรต้นไม้ก็มาจากดินน้ำลมไฟสุติหลังนี้ข้าวของต่างๆรถเกง๋งรถยนต์ เพชรเอ่ยทองเอ่ยทองคําเอ่ยเงินเอ่ยเป็นโลหะทั้งนั้น่ะเป็นดินทั้งนั้นเงินธนบัตรก็เป็นกระดาษดีๆนี่กระดาษแล้วเขาก็พิมพว่าเป็นราคาร้อยบาทพันบาทห้าร้อยบาทเอาไปกินได้มากระดาษพวกนี้กินไม่ได้หรอกถ้าไปหลงถ้าไปหลงอยู่ในป่าแล้วไปเจอเพชรกับเจอกล้วยนี่จะเอาอะไร เอาทั้งสองอย่างยังไงก็ต้องแบกเพชรไปก่อนเพื่อออกมาจากป่าจะได้ใช้เพชรได้ที่เพชรมันมีราคาก็เพราะว่ามันมีน้อยแล้วคนต้องการเยอะมันก็เลยมีราคาเราก็เลยมีเพชรไว้สำหรับไปลรกเปลี่ยนของต่างๆได้ถ้ามีเพชรเม็ดหนึ่งนี่อยากจะกินข้าวอยากจะอะไรก็สามารถใช้ได้เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นเพียงแค่ ของแรกเปลี่ยนท่านเองนะครับแต่ความจริงมันไม่มีอะไรของตัวอย่างที่เราหากันมาแทบเป็นแทบตายส่วนหนึ่งก็หามาเพื่อมาเลียงดูร่างกายของเรานี่ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่เลี้ยงดูยังไงดียังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดมันก็กลับคืนสู่ดินน้ํานมไฟไป ร่างกายมันทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายไปนี่เหลืออะไรเหลือแต่ขี้เถ้าเหนเผาไปแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ขี้เถ้ า, เ ห, เ, าเหลือแต่เศษกระดูกเป็นดินไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของที่มีสาระเป็นของหลอกหลอกจิตจิตนี่ถูกหลอกให้มาคิดว่าเป็นของวิเศษคิดว่าเป็นความสุข ต่ต้องมาล้องห่มล้องไห้กับของที่เราคิดว่าเป็นความสุขเป็นของวิเศษเพราะเวลาที่ต้องมีการพัดพากจากกันเนี่ยของทุกอย่างที่เราหามาได้หมดในโลกนี้เดี๋ยวเวลาเราตายไปนี่เราเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนี่คืออนัตตาสอนให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นความสุขนี่คือความทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อะไรที่เป็นอนนาตามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเพราะมันต้องมีการพัดผาาจากกันเป็นอนิจจังนี่คือบทคำสอนอันวิเศษของพระพุทธเจ้าที่พวกเราสวดกันจนปากเปียกปากฉีกฟังกันจนหูเปียกหูฉีกแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องมันคนละภาษากัน อันนี้คือปัญหาของศาสนาพุทธในปัจจุบันไม่ได้ผลิตบัณฑิตแล้วไม่ได้ผลิตพระอริยบุคคลเพราะขาดอาจารย์สอนก็มีน้อยนักเรียนก็เรียนน้อยเรียนก็เรียนกันคนละภาษาอาจารย์ที่มีมากก็เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นอาจารย์คือพระที่สวนภาษาบาลี นีมนุ์พระเยอะไปหมดทกวัด น, นี่มีพระสวดบาลีได้ทุกวัดเนี่ยทุกวัดมีญาติโยมนิมนต์ไปทําบุญที่บ้านอยู่เรื่อยๆความจริงการไปทําบุญก็ให้นิมนต์พระไปสอนธรรมะนี่แต่สอนคนละภาษาสอนภาษาบาลีให้คนไทยคนไทยไม่ได้พูดภาษาบาลีเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รับประโยชน์จากการฟัง กลับไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคาถาอาคมที่มาจามมาโดนบันดาลให้บ้านมีบ้านเดือนปลอดภัยให้ผู้อยู่ในบ้านแคลค่าปลอดภัยให้มีแต่ความสุขความเจริญจากการที่ได้นิมนพระมาสวดเท่านั้นเองมีมนพระมาประพรมน้ำมน่นิมนพระมาเจียมที่ประตูบ้านอันนี้เป็น การกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นพิธีกรรมเป็นความเข้าใจผิดไม่รู้ว่าสิ่งที่จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของญาติโยมของของสัตว์โลกก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและปฏิบัติ ต, ตามคําสอน จิตใจจะแข็วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจิตใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะไปกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่ดึงให้จิตใจต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง น, นี่ ลองเปรียบเทียบดูสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่ศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาอยากให้พระพุทธเจ้ามีที่ประทับสบายเห็นพระพุทธเจ้าไม่มีที่ประทับก็เลยสงสารพระพุทธเจ้าสมัยที่ทรงบำเพ็ญนี่จะอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้ทําเพิงด้วยกิ่งไม้ใบไม้ไว้ป้องกันแดดป้องกันฝนเท่านั้นก็พอ แม่เวลานั่งตัดจะรู้ใต้โคนต้นโพมีกุฏิไหมมีวัดไหยไม่มีหรอกเป็นที่เงียบสงบสงดัดวัดสมัยก่อนคือที่ที่สงบสงดัดเรียกว่าวัดสมัยนี้วัดต้องเป็นที่ที่มีโบสถ์มีเจดีมีศาลามีกุฏิที่สวยงามวิจิตรพิสดารถึงจะเรียกว่าวัดวัดแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อ การผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาวัดที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตคือวัดที่สงบสงัดวิเวกไม่มีรูปเสียงกลียนลดต่างๆมาคอยลอกวนใจสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสมัยพระพุทธเจ้าสั่งสอนท่งบำเพ็ญในป่าสั่งสอนในป่าส่งผลิตบัณฑิตในบัณฑิตต่างๆนี้ ผลิตบัณฑิตต่างๆในป่าทั้งนั้นมีผู้ที่มีจิตศรัทธามาขอศึกษามาขอบวชรักปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระพระอริยบุคคลหลักสูตรในสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนรับประกันว่าไม่เกินเจ็ดปีใครถ้ามาเรียนจากพระพุทธเจ้า ไม่เกินเจ็ดปีจะตั้งได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้บรรลุถึงพระนิพพานมันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรถ้ามีคนสอนมีคนตั้งใจเรียนก็เหมือนสมัยนี้จะเรียนจบปริญญาเอกนี่ต้องใช้กี่ปีเป็นนิ ญ, ญาตรีสี่ปีเป็นนญญาโทสองปีหกปีปริญญาเอกอีกห้าปีอ่สิบแปดปีเขาก็รับประกันว่าจะได้ปริญญาเอกเนี่ย ถ้านักศึกษาไปเรียนทุกวันไปเรียนตามเวลาที่เขาสอนแล้วมีอาจารย์มาสอนทุกวันมันก็มีการจบได้เพราะมีการสอนมีการเรียนมีการสอบพอสอบผ่านก็จบได้ป ร, ริญญากันสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกเป็นอาจารย์กันใครที่ต้องการที่จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ไปเรียนจากพระพุทธเจ้า ไปเรียนจากพระอาหารหันต์รภายในเจ็ดปีก็บรรลุ ก, กันบางองค์บางคนฉลาดบางทีเจ็ดวันก็บรรลุ ก, ก็มีบางคนก็เจ็ดเดือนไม่ใช่เป็นหลักสูตรตายตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของแต่ละคนใครฉลาดก็เรียนจบได้เร็วคนไม่ฉลาดก็ใช้เวลาหน่อยพระพุทธเจ้าก็เลยแบ่งไว้สามระดับถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน ถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะสำเร็จบรรลุหลักสูตรของพระพุทธศาสนาได้หลักสูตรก็คือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าใครมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ศีลก็ต้องเป็นศีลองนักบวชถึงจะถึงจะปฏิบัติถึงจะบรรลุได้ภายในหลักสูตรถ้าเป็นศีลองคาลวะศีลห้า อันนี้ยังไม่แน่เพราะว่าไม่มีกําลังพอที่จะมาควบคุมให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้ตามเวลาถ้าเป็นคาราวาสก็จะไปยุ่งกับการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่จะเข้าห้องเรียนก็เลยมีไม่มาก อย่างมากก็อาทิตย์ละหนึ่งวันวันพระวันพระญาติโยมก็จะเข้าวัดถือศีลแปฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิกันถ้าอย่างนี้แล้วไม่เรียนอย่างนี้ไม่ครบเจ็ดปีก็อาจจะไม่บรรลุถ้าอยากจะบรรลุภายในเจ็ดปีนี่ต้องอยู่แบบนักบวชต้องไปบวชเป็นพระเพราอจะได้เรียนเต็มที่ พอเป็นพระแล้วนี้ไม่มีหน้าที่การงานอย่างอื่นต้องทำมีหน้าที่แต่เรียนกับปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หลักสูตรที่วางไว้ไม่เกินเจ็ดปีนี้ก็จะจะใช้ได้จะต้องจบภายในเจ็ดปีอย่างแน่นอนสมัยพระพุทธการจึงมีบัณฑิตมีพระอาหารหันต์กันเยอะแยะไปหมดเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเปิด หลักสูตรของพระพุทธศาสนาคือวันเพ่นเดือน8ปดวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกไปถึงวันเผ่นเดือนสอีกเจดเดือนต่อมาวันมาฆบูชามีผ้าหานอย่างน้อย 1,250 งพันอ้อยรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆผ้าหลานเหล่านี้เป็นนักเรียนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นคนสอน เป็นคนบวชให้แล้วพอบรรลุเป็นพระหลานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นให้ไปคนละทิศคนละทางไม่ให้ไปสองคนทิศหนึ่งไปคนเดียวไปแยกกันไปเพื่อจะได้กระจายความความรู้ธรรมะได้อย่างกว้างขวางนั่นเองพอไปเผยแผ่อยู่เจ็ดเดือนมีความปรารถนาอยากจะมากราบพระพุทธเจ้า คิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาโดยไม่มีการนัดหมายกัน 1,250 อรหรูปมาจากสาราทิตต่างๆนี่คือจำนวนผ้าอาหารที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนเทน้นี่พวกนี้เป็นพวกฉลาดมากถ้าเป็นบัวก็เป็นบัวเหนือน้ำบัวที่รอให้แสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็จะบานทันที พวกนี้เป็นพวกเป็นนักบวชอยู่แล้วเป็นนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีฌานมีสมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาปัญญาคืออริยาาสัจสีที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสองค้นพบปัญญาคือพระอริยสัจสี่เอาอริยาาสัจสี่มาสอนให้พวกนักบวชเหล่านี้ พอเขาฟังปุ๊บเขาก็บรรลุภายในขณะที่ฟังเลยอ น, นี้รวดเร็วมากพวกนี้เป็นพวกที่ฉลาดมากพวกที่ฟังปุ๊บเข้าใจาปุ๊บบรรลุได้เลยพอมีศีลครบบริบูรณ์แล้วมีสมาธิครบบริบูรณ์แล้วพอได้ปัญญาครบบริบูรณ์ก็เลยบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาได้ทันทีจึงทาให้ในยุคแรกๆนี่มีพาาาระอรหันต์มาก หนึ่รรูปอย่างน้อยภายในระยะเวลาเพียงเจเดือนเท่านั้นเองแล้วพระพุทธเจ้าทรงอยู่ถึง45่ห้าปีคิดดูก็แล้วกันนะแต่ละปีพระพุทธเจ้าผลิตตั้งอาหารขึ้นมากี่รูปผลิตทั้งคารวาสผลิตทั้งพระผลิตทั้งเนร์ทั้งหญิงทั้งชายใครที่มีความรู้ความฉลาดใครที่สามารถที่จะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ ก็สามารถบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์ได้กันอย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่นี่คือศาสนาพุทธในยุคสมัยพุทธกาลเน้นอยู่ที่การผลิตพระ อ, อริยบุคคลผลิตพระ อ, อรหันต์กันวัดวาอารามไม่ค่อยมีพระ อ, อรหันต์ส่วนใหญ่ท่านไปอยู่ในป่านในเขากันเป็นวัดวาแบบไม่ใช่เป็นทาวรวัดทุ เป็นกระตอบเล็กๆพออยู่หลบแดดหลบฝนได้ของพวกนี้ไม่กี่ปีมันก็พังไปหมดไปแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือใจของพระอาหารหันต์ที่ไปเป็นพระนิพพานไปเป็นนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่น่าวิตกหรือน่าเอามา ศึกษาเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าศาสนาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นคนละศาสนาแล้วเพราะมันมีเป้าหมายคนละเป้าหมายกันแล้วเป้าหมายเดิมของศาสนานี้ต้องการให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการให้คนไปพัฒนิพาน์กันแต่สมัยนี้กลับกลายเป็นของยากไปเสียแล้วกลายเป็นของที่ ไม่น่าจะเป็นไปได้เสียแล้วไม่มีชาวพุทธคนไหนคิดว่าตอนเองนี่มีสิทธิ์ไปนิพพานกันเลยเมีแต่คิดว่าไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นเอก็เพราะว่าไม่มีใครทําเป็นตัวอย่างให้เห็นนั่นเองในสมัยพุทธกาลมีคนทําเป็นตัวอย่างให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างองค์แรกไปนิพพานได้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาแค่นี้เดี๋ยวก็ไปนิพพานได้แนละ้ว คนเชื่อก็ฟังแล้วก็ไปทำรักษาศี ใ, ให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งเต็มร้อยพิจารณาอริยสัจ ส, สี่หยุดความอยากต่างๆตัดกิเลสตัณหาท่านั้นเองเพอตัดความอยากต่างๆหมดได้ใจก็บรรลุถึงพันิผ่านได้สมัยนี้ไม่มีใครทำกันไม่มีใครเป็นตัวอย่างมีก็น้อยมีต้องค้นหา เนี่ยนี่ป้าหลสมัยนี้มีน้อ ย, ยิกว่าเพชย์เหายากยิ่งกว่าเพชยี่สกแต่ถ้าคนที่ต้องการจะหาจริงๆก็หาได้เนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีพระสายหลุงปู่มั่นเนี่ยพระอาจารย์มั่นเนี่ยหนังสือที่เอามาจากเนี่ยลองเอาไปอ่านดูประวัติพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระองค์แรกที่ในยุคปัจจุบันเ ที่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาแล้วพอท่านเป็นบรรลุแล้วมีพระไปศึกษาปฏิบัติกับท่านนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพาาาระอรหันต์กันมากมายตามมาพอมีพระองค์เดียวมาสอนท่านนั้นเององค์ที่สนใจศึกษาไปปฏิบัติไปศึกษาไปปฏิบัติก็บรรลุกันเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจํานวนมากทําไมเราเรียกว่าท่านเป็นพาาาระอรหันต์ ก็เพราะเวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านนี่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาคนธรรมดานี่เวลาตายไปกระดูกนี่จะไม่เป็นพระธาตุจะไม่เป็นธาตุธาตุก็เป็นเหมือนก้อนหินเนี่ยกระดูกกลายเป็นก้อนหินแต่คนธรรมดานี่เวลาเผาเสร็จแล้วกระดูกก็จะเป็นผุพังไปแต่บางส่วนของพระอนากระดูกของพระหลานบางส่วนจะกลายเป็นก้อนหินขึ้นมาเป็นธาตุขึ้นมา เขาถึงรู้ได้ว่าพระรูปนี้เป็นพาาระอะไรเนี่ยกระดูของพระอาจารย์มั่นเนี่ยเป็นพระธาตุอยากจะดูไปดูที่พิพิธภัณฑ์ท่านได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่จังหวัดอุดรที่จังหวัดสกลนครวัดป่าสุทาวาเป็นที่ไป เ, เก็บรักษาพระธาตุและประวัติของพระอาจารย์มั่นไว้ที่นั่นของใช้ที่ท่านเคยใช้บาตรจีวานอะไรต่างๆ เขาเก็บรักษาไว้เป็นอนุสอนให้อนุชนอย่างพวกเราได้เรียนรู้ว่าการเป็นพระอาหารหัน์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไรเป็นเรื่องธรรมดาของศาสนาพุทธเป็นเหมือนกับบัณฑิต ท, ที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ใช่เป็นของแปลกเลยใช่ไหมสมัยนี้ใครไปเรียนมหาลัยก็หวังได้เลยว่า ถ้าอยากจะจบปตีปโทปอเอกก็จบกันได้ทุกคนขอให้มีความเพียรพยายามที่จะศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้นเองก็จะบรรลุได้สําเร็จได้แต่สมัยนี้มันไม่มีการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนานจนไม่มีบัณฑิตเหลืออยู่เลยบัณฑิตมีก็น้อยมากนานๆจะโผล่ขึ้นมาสักรูปนึงมันเลยทําให้การที่จะมาเรียนจบเป็นบัณฑิตนี่กลายเป็นของแปลกไปซะละ เป็นของที่ไม่น่าจะเป็นไปได้กันเถอะทุกคนนี้ญาติโยมหรือพระเนนที่มาบวชไม่มีใครคิดว่าจะไปนิพพานกันสักคนไม่รู้บวชกันทำไมบางทีก็บวชเพราะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองบวชแล้วเวลาตายไปจะได้ไม่ไปอบายก็คิดได้แค่นี้เองแล้วก็ไม่ได้บวชตลอดบวชแค่สามเดือนพอออกพรษาก็เสร็จกันไป ปริมาณพระที่อยู่จริงๆนี่อยู่เหลือครึ่งหนึ่งปีหนึ่งนี่จะมีพระเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานี้จะมีชาวพุทธที่มีลูกชายอายุยี่สิบก็จะมาบวชกันมาบวชทดแทนบุ่นคุณพ่อแม่เพราะว่าเชื่อว่าเวลาบวชแล้วจะดึงให้พ่อแม่พ้นจากกบายได้แต่ควจริงมันไม่พ้นหรอกจะพ้นไม่พ้นมันไม่ได้อยู่ที่การบวชของลูก่ มันอยู่ที่ว่าพ่อแม่ไปเสบบะบายามุกไปทําบาปหรือเปล่าถ้าไปเสบบะบายามุกไปทําบาปต่อให้ลูกบวชกี่ปีมันก็ไม่พ้นบบอับอายมันจะพ้นอั บ, บายก็ต่อเมือ่อพ่อแม่ไม่เสบบายายมุกไม่ทําบาปแต่ความหมายความจริงก็คือถ้าลูกมาบวชแล้วก็จะเดึงให้พ่อแม่เข้าวัดเข้าใจไหมธรรมดาถ้าลูกไม่เข้าวัดไม่มาบวชพ่อแม่ก็ไม่มาวัดหรอกพ่อแม่มีแต่ หาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองไม่มีเวลาที่จะมาเข้าวัดแต่พอลูกมาบวชปั๊บต้องคิดถึงลูกนลเป็นห่วงลูกแลอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาวัดสักครั้งหนึ่งวันพระวันหยุด<ม>ก็เอาข้าวเอาของมาใส่บาตรมาพอมาที่วัดก็เลยถูกบังคับให้ฟังเทศไปเพราะที่วัดจะมีการแสดงธรรมถ้าได้ยินได้ฟังธรรม แล้วรู้ว่าอบายามุกกับการทำบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดอบายขึ้นมาก็ได้รับความรู้แล้วแล้วถ้าเชื่อเอาไปปฏิบัติได้ก็พ้นอบายได้พ้นอบายด้วยการปฏิบัติไม่ได้พ้นอบายเพราะลูกมาบวชแล้วเกาะชายผ้าเหลืองกาว่าเกาะชายผ้าเหลืองก็เกิดเกาะชายผ้าเหลืองเข้าวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายกันเหตุที่พาใไปเกิดในอบายก็เพราะไปเสบอบายามุกเนี่ยอบายามุกก็คือทวารของอบายประตูของอบายใครไปยืนใกล้ประตูของอบายเดี๋ยวก็ถูกอบายดึงเข้าไปดูดเข้าไป มือนกัใครไปยืนอยู่ใกล้ประตูหนังลงหนังเดี๋ยวก็ถูกหนังดูดเข้าไปใช่ไหมคนที่ไปยืนอยู่แถวประตูลงหนังไปทําอะไรก็จะไปดูหนังเนคนที่ไปเสพบายมุก็เดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปเข้าใจไหมพอไม่มีเงินใช้กินเหล้าหมดไม่มีเงิน ม, มีแต่กินเหล้าพอใช้เงินกินเหล้าหมดอยากจะกินเหล้าต่อไม่มีเงินซื้อเหล้าก็ต้องไปขโมยเงินมาเ อ, อ ไปทำบาปเพราะอาบายมุกเป็นตัวดูดให้ไปทำบาป พ, พอทำบาปแล้วเวลาตายไปบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอาบายอบายก็มีอยู่สี่ที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็น ส, สัตว์ร่ละกายไปนรกด้วยสาเหตุที่ต่างกันทำบาปมีอยู่สี่สาเหตุด้วยกันทำบาปเพราะไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปเพราะโลกก็ไปเป็นเปรต ทำบาปเพราะกลัวก็ไปเป็นอสุรกายหรือเป็นผีทำบาปเพราะอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกเนี่ยเนี่ยคืออบายสี่แห่งด้วยกันดวงวิญญาณจะไม่เหมือนกันดวงวิญญาณที่ทำบาปด้วยสาเหตุต่างกันก็จะไปเป็นไม่เหมือนกันพวกที่ทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปเป็นบาปเช่นพวกต้องเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํา เพราะต้องเอาตัวอยู่รอดเขาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะบาปหรือเขาอาจจะไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็ได้เขาไม่อาจจะไม่เชื่อว่ามีการไปตายตายไปแล้วมีการไปใช้กรรมในอบายต่อไปก็ได้เขาอาจจะไม่เชื่อพวกนี้เ็เรียกว่าพวกที่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้เรื่องของการทำบาปว่าทำแล้วจะมีผลตามมา เขาก็เลยไม่กลัวบาปกันเอทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเอพวกเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําบาปกันเนี้ยเขาอยู่กันทําบาปกันตลอดเวลาเขาต้องกัดต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นการเลี้ยงชีพของเขามนุษย์ถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นเดรัจฉานเหมือนกันแต่ถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากรวยอยากได้มากมอก ถ้าไม่ทําบาปแล้วจะไม่ได้ไม่คอรับชั้นแล้วจะไม่รวยต้องขอรับชั้นถึงจะรวยพวกนี้ก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่เป็นเปรตนี้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยปากเท่ารูเข็มท้องเท่าตุ่มนะกินเข้าไปได้ทีละนิดแล้วมันจะอิ่มยังไงท้องมันเท่าตุ่มปากเท่ารูเข็มเอาของเข้ไปได้ทีละนิดเท่นิดมันถึงกินเท่าไหรไม่รู้จักอิ่ม พวกเปรพวกที่มีคนมีความโลภนี่ได้กี่ล้านก็ไม่พอใช่ไหมได้ร้อยล้านก็อยากจะได้พันล้านใช่ไหมอย่งตอนนี้มีข่าวกําลังประมูลเรื่องรถไฟความเร็วสูงกันแล้วนะโครงการห้าหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหมเนี่ยพวกโลภทั้งหลายแต่ถ้าโลภโดยไม่ทํำบาสนี่ไม่ไปอบายถ้าโลภแล้วทําตามกฎกติกาไม่ทํำบาปไม่ไปอบาย แต่ถ้าโลภแล้วทำบาปด้วยมีการสอดเงินใต้โต๊ะคอร์รัปชันกันอะอย่างเงี้ยไปแน่ๆไปเป็นเปรตแน่ๆเนี่ยนี่คือเรื่องของธรรมะที่สมัยนี้ทำกันโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าทำกันทำไมบวชพระก็คิดว่าบวชเพื่อที่จ ะ, ะดึงพ่อให้พ้นพ่อแม่ให้พ้นจากบายแต่ไม่รู้ว่าพ้นอย่างไร ถ้ามาบวชแล้วพ่อแม่ไม่มาวัดไมไมมาเยี่ยมพระหรือมาก็มาเยี่ยมตอนที่ไม่มีการแสดงธรรมไม่ไม่ได้มาทำบุญไม่ได้มาอะไรเพียงแต่มาเยี่ยมตอนเวลาอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเยี่ยมมาดูหน้ากันหน่อยถามสารทุกข์สุขดิบกันหน่อยขาดแค่อะไรก็หามาให้อย่างนี้ก็จะไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเมื่อไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้กฎแห่งกรรม ไม่รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเอทำบุญตายไปก็ไปสวรรค์ะทำบาปตายไปก็ไปอบายเออันนี้จะคิดว่าเป็นของโกโหกกันเพราะไม่รู้ว่าใครไปอบายใครไปสวรรค์ตายไปแล้วใครไปไม่รู้เท่าที่เห็นมีแต่ร่างกายร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะไปไปสวรรค์ใครจะไปอบายเออันนี้ไม่มีวันรู้ถ้าไม่มาเรียน ไม่มาฟังเทศฟังธรรมถ้ามาเรียนมาฟังเทศฟังธรรมจะรู้ว่านอกจากร่างกายเราแล้วเรายังมีจิตใจจิตใจที่เป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้เป็นคนละคนกันในร่างกายก่อนจะลุกไปไหนได้นี่ต้องให้ใจสั่งก่อนต้องคิดก่อนคิดว่าจะลุกไปทำนูนำน่นทำนี่ถึงจะสั่งให้ร่างกายเอลุกขึ้นเดินไปทานู่นทานีเนี่ยคนที่สั่งร่างกายนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน มารวมกันตอนที่ตั้งท้องอยู่ในท้องแม่นะเวลาที่มีการผสมพันธ์กันมีเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันจะมีดวงวิญญาณคือใจนี่แหละมารวมรวมสังขารรมด้วยจึงทำให้เกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้มีการปฏิสนธิขึ้นมาอันนี้แหละที่เป็นตัวที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ ตอนนี้ดวงวิญญาณมาจากชาติก่อนตายที่ร่างกายของตนเองตายไปหลังจากไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็มารอรับร่างกายอันใหม่พอมีใครผสมพันกันก็ไปไปครอบครองร่างกายอันใหม่นี้ทันทีแล้วก็อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนพอคลอดออกมาก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใช่ไหม เราทุกวันนี้เราใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่สั่งให้ร่างกายทำบาปทำบุญแล้วผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็ไม่ใช่ร่างกายผลบุญผลบาปเกิดที่ใจเวลาทำบุญใจมีความสุขเวลาทำบาปใจมีความทุกข์เนี่ยความทุกข์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ใจเป็น เป็นอะไรต่างๆเป็นสัตว์เป็นอบายชนิดต่างๆบุญคือความสุขทําให้ใจเป็นเทวดาระดับต่างๆทําบุญมากก็เป็นเทวดาที่มีความสุขมากก็อยู่ระดับสูงทําบุญน้อยก็เป็นเทวดาที่มีความสุขน้อยก็อยู่ในระดับสวรรค์ชั้นต่ําอำนี้แหละคือผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปเหมือนการทําบุญทำบาปนี้มันไม่สูญหายไป มันมีผลตามมาถ้าไปดูที่ร่างกายก็จะคิดว่าทำแล้วศูนย์เพราะตายแล้วศูนย์ใช่ไหมถ้าเรามีเพียงแต่ร่างกายส่วนเดียวเพราร่างกายตายไปแล้วก็จบศูนย์ไม่มีอะไรไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่อันนี้เป็นความเห็นของคนตาบอดอย่างพวกเราเลยพวกเราเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นเพียงร่างกายอีกส่วนหนึ่งเรามองไม่เห็นคือจิตใจ คนที่เห็นจิตใจนี้ต้องเป็นคนที่เข้าสมาธิได้คนที่เข้าสมาธิได้ถึงจะเข้าไปเห็นจิตใจถึงจะรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจเหมือนกับต้นไม้เนี่ยคนที่จะเห็นรากได้ต้องขุดเข้าไปในดินถึงจะเห็นรากถ้าไม่ขุดดินจะไม่รู้ว่าต้นไม้มีรากกีว่าพอฝันต้นไม้ตายแล้วต้นไม้มันก็จะตายมันไม่ตายเห็นไหมรากมันยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นจิตใจที่เป็นรากของขอ ง, ของเราเป็นตัวที่ไปรับผลบุญผลบาปเป็นตัวที่สั่งให้เราทำบุญทำบาปกันอันนี้ต้องมาพบคนตาดีคนที่เข้าสมาธิได้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกนี่ท่านเข้าสมาธิกันได้ทุกองใครเข้าสมาธิได้ก็จะเห็นดวงใจเห็นดวงวิญญาณกัน อย่ารู้ว่าดวงใจดวงเวี ญ, ญานี่แหละเป็นเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นคนสั่งแล้วใจเป็นคนรับผลทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าใจทำบุญในขณะมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขพอตายไปก็ไปเป็นดวงเวิญญาณที่มีความสุข ดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความสุขก็คือเทวดาใจที่ทบาปก็จะมีความทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปใจที่มีความทุกข์ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณของเปรตของผีของนาลกไปหรือไปเกิดก็ได้เกิดถ้าไปเกิดก็ได้เกิดร่างกายของเดรัจฉานจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ จะต้องรอให้บาปหมดก่อนใช้บาปหมดก่อนถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้นี่แหละคือเรื่องที่เราไม่ได้เรียนรู้กันอย่างจริงจังเราก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำการปอหอมปากหอมคอทำพอให้มีความรู้สึกสบายใจบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หวังที่จะ หวังหวังที่จะบรรลุเป็นพระอาราหันต์กันไม่ได้หวังว่าจะไปนิพพานกันคิดว่าขอให้ทำบุญล้วมีความสุขขอให้ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองทำมาค้าขายขายดีขายดีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แต่ทำยังไงมันก็ต้องทุกข์เพราะเราอยู่ในโลกของความทุกข์การทำบุญนี้ทำเพื่ออนาคตมากกว่า ทำเพิ่มให้ให้มาเกิดถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้ายาังกลับมาเกิดอยู่ยังต้องมีความทุกข์อยู่เพียงแต่ว่าจะมีทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าทำบุญมากทำบาปน้อยก็จะทุกข์น้อยถ้าทำบาปมากทำบุญน้อยก็จะทุกข์มากแต่ถ้ายังกลับมาเกิดก็ยังต้องเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆแม้แต่พระบุตเจ้าเองก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ ยังมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยทำร้ายทำลายอยู่แต่พอไม่กลับมาเกิดเท่านั้นแหะเทนี้ไม่มีทุกเนี่แน่นอนท่านจึงบอกว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดดวงวิญญาณยังไปเกาะร่างกายอันใหม่อยู่พอได้ร่างกายอันใหม่เดี๋ยวร่างกายอันใหม่นี้ก็ต้องแก่เจ็บตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันทุกข์และมันสุขะงั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดอย่ามามีร่างกาย จะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องศึกษาไม่มาเกิดก็ต้องมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังให้เข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทําให้เราไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็ต้องศึกษาและปฏิบัติมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญานี้เองอันนี้คือบันไดสู่พระนิพพานคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เราต้องทํากันอย่าง เต็มร้อยถึงจะได้ผลถ้าทําพอหอมปากหอมคอก็ยังจะไม่ได้ผลก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยทำเล็กๆน้อยๆก็ได้ผลบ้างแต่ไม่พอที่จะทำให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อาจจะทำให้เราเวลาตายไปไปไ ป, ไปอยู่ในสวรรค์แต่พอพ้นจากสวรรค์ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเต็มรูปแบบก็คือเป็นนักบวชนั่นเองหไม่เป็นนักบวชก็ต้องเป็นปฏิบัติเหมือนนักบวชปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เหมือนนักบวชให้รักษาศีลให้ครบบ ร, บริบูรณ์ให้นั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ให้มีปัญญามองเห็นอริยสัจสี มองเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากความอยากเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยากการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เล้วก็จะต้องมีการจากกันพอเกิดจากการจากกันก็ต้องล้องผมล้องไห้เศร้าโศกเสียใจอันนี้แหละคือเรื่องของาศาสนาในสมัยพุทธกาล ท่านเน้นการสอนการปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสมัยนี้สอนให้ทาบุญเพื่อที่ตายไปจะได้ไปสวรรค์เวลามีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขแต่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนยุคนั้นก็อาจจะเป็นยุคที่ตัวใครตัวมัน อาจจะต้องแข่งแย่งชิงดีฆ่ากันฟันกันอันนี้ก็จะเป็นยุคที่มีแต่ความทุกข์ดังนั้นตอนนี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วขอให้เรารีบตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาด้วยการพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมพยายามศึกษาว่าเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ไม่เจ็ดเดือนเจ็ดปี เจ็ดวันก็จะไปถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาไรวาหาปุราปาริโปเลติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปปักปติ เอติตังปะติตังตุมหังเิปะเมวาสะมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันททปนาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตรายยสุขีติขายุโกผวะอภิวัตนาสีฤิตสานิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยห้าสิบสองร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้สี่สิบสองคนรวมทั้งหมดหกร้อยี่สิแปดครับโอเคแสดงว่าพวก Facebook นีย้ายไปทาง YouTube มันเยอะนะเมื่อก่อน YouTube มีไม่กี่ไม่กี่สิบเดีย๋ยวนี้เป็นสองร้อยแล้วแสดงว่า YouTube มันง่ายกว่า Facebook มั้ง เฟบุกางทีเสียงมันชอบหายเลยมันเห็นคนส่งข้อความเข้ามาเลยเสียงหายเสียงหายไม่รู้เป็นพ่ออะไรทานหมดบ้างอะไรอย่างนี้ยนะรู้สึกเข้าไป YouTube กันเยอะกว่าอย่นี้ y o u t u สองร้อยขึ้นนะเมื่อก่อน Facebook นี่สี่ร้อยบวกอย่นี้สามร้อยบวกลดท้ายไปย้ายไปที่ YouTube แต่ยอดก็เท่าเดิม ยอดอย่างประมาณหกร้อยบวกลบอยออู่ไม่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้มาตลอดมียอดคนติดตามรับฟังออทางช่องทางต่างๆรวมกันประมาณวันละหกร้อยทั่วโลกทั่วประเทศมีคำถามหรือยังกายอยากจะถามอ่ะ ถ้าอยากจะถามก็เข้ามาถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษเข้ามาให้อ่านก็ได้ออคนนี้อยากจะถามขึ้นมาต้องพูดที่ไมโครโฟนใกล้ๆปากหน่อยจะได้ยินเสียงกลับรมาสารผ้าจา์เจ้าค่ะเนซจิกเวลานั่งนั่งหลับนี่เราสามารถนั่งพิงผนังได้ไหมคะ แล้วแต่เราคือในสัจชิจนี่เขาต้องการที่จะกันไม่ให้เรานอนเพราะนอนแล้วมันจะเสียเวลามากถ้าจะหลับก็ให้หลับในท่านั่งไปจะนั่งแบบพิงอะไรก็ได้แล้วแต่เราเอาหมอนมาวางก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะสบายก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะสบายอยากจะนอนน้อยก็ไม่ต้องมีอะไรแต่มันไม่สบายเดี๋ยวมันก็ตื่นเร็วถ้ามันสบายมันก็ตื่นตื่นช้า เป้าหมายคือให้มันเขาต้องการจะดึงเอาเวลานอนมาปเป็นเวลาปฏิบัติถึงต้องการให้นอนให้น้อยที่สุดเนีย่ยแล้วแต่เราเราเป็นคนกำหนดได้ในสัจจิกสิว่าจะาจะเอาหมอนม า, ามาพิงเวลาที่เรานั่งหลับก็ได้ถ้านั่งหลับแบบนั้นก็นอนถ้าไม่ดีกว่าเลยไม่ต้อในสัจจิก็มันเสียเวลาเปล่า ถ้ามันนอนเท่ากันถ้ามันกินเวลาเท่ากันก็มันก็นอนดีกว่าอันนี้เราต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการถือเนสัตชิกว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อให้เรานอนน้อยนอนให้มันนอนน้อยๆก็ต้องให้มันนอนลำบากนอนไม่สบายให้หลับไม่สบายมันถึงจะหลับไม่นานถ้าถ้ามันอยู่ในท่าที่สบายมันจะหลับนาน น่นสัยเช่นนี้เราไม่ได้ถือตลอดเวลานะเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้หรอกในที่สุดมันก็ต้องนอนตามความที่มันต้องการและไม่ต้องการให้นนอนตามปีเลตเท่านั้นแหล ะ, ะต่อไปคำถามจากทางบ้านนะครับคุณสุดาพรกราบนมัสก า, ารพระอาจารย์เจ้าข่ะขอกราบเรียนถามว่าการสวดมนต์ทวัดเย็น เวลาสามทุ่มจะผิดไหมเจ้าคะ่ะไม่ผิดหรอกสวนตอนเช้าส่วนตอนกลางวันส่วนตอนไหนได้ทั้งนั้นการสวด น, นี้เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิทําได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการที่บุคคลใดที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยปิดกั้นนรกภูมิให้แก่ผู้ที่เคยเป็นบิดามารดากันมาทุกภพทุกชาติใช่หรือไม่เจ้าขาต้องสอนได้ช่วยได้เพียงแต่สอนให้เขาอย่าไปทําบาปถ้าเขาไม่เชื่อก็ยังทําบาปอยู่ก็ยังปิดไม่ได้เช่นสมมติวพ่อแม่เคยทาอาชีพฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เกิด แล้วลูกมาเป็นพออนระอรหันต์แล้วมาบอกพ่อเลิอกอาชีพนี้เถอะพอบอกกูยังต้องทำอาหากินไว้กูไม่รู้จักวิธีทำมาหากินอย่างอื่นกูก็ต้องทำแบบนี้ของกูไปและอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ลูกจะเป็นพออนระอรหันก็ช่วยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของกรรมของพ่อที่ไม่เห็นไม่เชื่อคำสอนของลูกไม่เชื่อว่าลูกเป็นพออนระอรหันต์ก็ช่วยไม่ได้ พระอานมีแต่ช่วยสอนช่วยบอกเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระมันดาให้เป็นพระโสดาบันไดปิดประตูาบายแล้วคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำบุญบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์จะเป็นสังฆทานใหม่เจ้าคะเพราะไม่ได้จอบจงสงฆ์ก็ ถ้าให้โรงพยาบาลเข้ามาดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะถือว่าเป็นสังฆทานก็ได้ไม่ได้ถวายเฉพาะเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งใหเอาไว้สำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกรูปที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานคำถามต่อไปจากข้างบนเขานะครับมีสามคถามนะครับคาถามที่หนึ่ง ถ้าโดนโกงเงินเราจะมีวิธีทําใจให้สงบและเราจะควรฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือเงินคืนใหม่เจ้าคะถ้าโดนโกงถ้าจะทําให้ใจสบายก็คิดว่าเหมือนกับเงินนี้ไม่ใช่เป็นของเราเจ้าของเขามาเอาคืนไปแล้วใครเอาคืนไปก็ถือว่าเป็นของเขาไปออันนี้มองแบบง่ายๆ หรือมองแบบว่าใช้นี่ก็ได้ว่าชาติก่อนเราเคยอาจจะไปเคยโกงใครเข้ามาชาตินี้ก็เลยต้องถูกเขาโกงเอก้าเจ้ากันไปแต่ ว, ว่าใช้นี่ไปส่วนจะฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนหรือไม่อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ถ้าไม่อยากจะวุ่นวายก็อย่าไปฟ้องมันเลยจบป้าคิดว่าอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว อ, อย่าไปฟ้องร้องให้เหน็ดเนื่ยเดี๋ยวมีเวรมีกรรมกันใหม่ขึ้นมาอีกน ถ้าทำใจได้ก็ยกให้เขาไปเราหาใหม่ถือว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์สำหรับเราก็แล้วกันเป็นเงินเป็นหนี้เป็นเงินที่เราขโมยเข้ามาในชาติก่อนชาตินี้เขาเลยต้องมาเอาคืนคำถามที่สองไม่ทราบว่าเราจะหยุดความอยากได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องมาฝึกสมาธนินั่งสมาธิกันแล้วก็ใช้ปัญญา มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกเนะี่ยนนมันก็จะไม่อยากถ้าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยาพิษเราจะเอาไหมเราไม่เห็นปัญหาคือเราไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเราคิดว่ามันเป็นขนมเรากินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ทีหลังว่าโอ้ยปวดท้องกินยาพิษเข้าไปไม่มีปัญญาคนทะี่มีปัญญาจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นเหมือนยาพิษได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องปวดใจ ปวดร้าที่ใจได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวต้องทุกกับสิ่งที่ได้มาได้แฟนมาก็ต้องทุกกับแฟนได้ลูกมาก็ต้องทุกกับลูกได้อะไรมามันต้องทุกเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยห่วงแล้วเวลามีการพัดภากจากกันก็ร้องหม่มร้องไห้กันมองไม่เห็นตรงนี้มองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้ ถ้าเห็นแล้วหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังสมาธิไม่มีกําลังก็ต้องมองเฟกสติสมาธิพอเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วมีกําลังหยุดมันก็จะหยุดได้ถ้าเห็นแล้วแต่ยังไม่มีกําลังหยุดก็หยุดไม่ได้คําถามที่สามถ้าเราฝากเงินให้คนอื่นทําบุญแต่เขาไม่ได้เอาไปทํา เราจะได้บุญอย่างที่ตั้งใจหม่เจ้าคะ่ะได้พอเราให้เขาไปแ ล, แล้วถือว่าเราได้บุญทันทีพอเราบุญเกิดจากการเสียสละเงินทองก้อนนี้ไปไม่ได้เกิดว่าเงินทองก้อนนี้จะไปอยู่ที่ไหนไปทาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของผู้รับไปผู้ให้นี้ได้บุญทันทีถ้าใจไม่ติด ถ้าใจไม่ไปตะกิตตะขวงไปยึดไปถือว่าเป็นของตนอยู่ถ้าทําบุญแล้วยังคิดว่าเป็นของตนอยู่ไปคอยดูว่าเขาเอาไปใช้ไปทําอะไรหรืออย่างไรถ้าไปทําในสิ่งที่เราไม่อยากให้ก็าทำแล้ว เ, เกิดความเสียใจขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญเพราะยังไม่ได้ให้ต้องให้แล้วตัดขาดแตตัดจากใจเลยว่าเป็นของคนรับแล้วคนรับเขาจะเอาไปทําบุญให้เราหรือเขาจะไปกินขนมก็เรื่องของเขาแล้วล่ะ มันจะได้สบายใจสุขใจถ้าให้แล้วมาคิดว่าเอ๊ะเขาจะเอาเงินไปทําตามที่เราบอกหรือปเปล่าก็ยังใจก็ยังกังวลอยู่เลยไม่เกิดความสุขที่เกิดจากการเสียสละเพราะยังไม่ได้ตัดขาดไม่ไม่ไม่ได้เสียสละแบบขาดขาดขาดเต็มที่เสียสละไปแล้วแต่ใจยังผูกพันอยู่ว่ามันต้องไปทำบุญนะต้องเอาไปใช้นู่นตามที่เราสั่งนะถ้าเกิดเขาไม่เอาไปทา เราก็จะเสียใจขึ้นมาก็กลายเป็นเงินที่ถูกขโมยไปเพระนั้นท่านอยากจะทำให้เงินที่ถูกขโมยกลายไปเป็นเงินทาบุญก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปใครมาโกงเราก็ถือว่าเอา้าเนเราขอทำบุญให้คนนี้ไปเลยหมดเรื่องคนนี้มาโกงเร า, เามันเอาไปแล้วเราจะมาเสียดายทำไมเอาไปแล้วก็ปล่อยไปถือว่าเป็นของมันแล้วถือว่าเราได้ทำบุญไปก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณแซมกราบเรียนถามพระอาจารย์ขอคำแนะนำเรื่องการทำบุญหนึ่งอวันให้แก่ผู้ตายต้องทำอย่างไรและสามารถเลื่อนวันได้หรือไม่หากไม่สะดวกไปทำที่วัดการทำบุญแบบอื่นเช่นกับเด็กกาพร้าหรือทำสังฆทานได้หรือไม่ครับก็ได้นะแต่ตามธรรมเนียมเขาจะไปทำที่วัดกันถ้าเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องศพเขาก็ทาที่วัดเพราะเขาเก็บศพไว้ที่วัดเนี่ย เวลาเขาจะทําบุญให้กับศพเขามักจะไปทําที่วัดกันเขาแบ่งเวลาเป็นเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันที่เขาเก็บศพไว้เพราะหนึ่งเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทํางานศพเพราะเขาอาจจะต้องเตรียมการเพราะมีคนรู้จักเยอะจะต้องแจ้งให้คนอื่นที่คนตายรู้จักให้เขาได้รับทราบให้เขามีเวลาเตรียมตัวก็เลยไม่ได้เผาทันที แต่สำหรับบางคนเขาไม่สนใจว่าใครจะมางานศพเขาหรือไหมตายเจ็ดวันก็เผาเลยอย่างศพหลวงปูรีนี่ตายเจ็ดวันเก็บไว้เจ็ดวันวันที่แปดก็เผาเหมือนกับศพของพระพุทธเจ้าตายเจ็ดวันเก็บไว้เจ็ดวันวันที่แปดก็เผาอันนี้มันเป็นธรรมเนียมเป็นการกําจัดร่างกายที่มันเน่าและมันเก็บไว้มันจะเหม็นมันจะเป็นเป็นปัญหา เขาก็เลยต้องมีการทำศพมีการเผาศพนี่จะเผาภายในวันบางคนตายเช้าเผาเย็นก็มีบางคนก็เก็บไว้สามวันบางคนก็เก็บไว้เจ็ดวันบางคนก็เก็บไว้ร้อยวันอันนี้มันเป็นเพียงแต่ธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นเองแต่เป้าหมายของการทำศพก็คือกำจัดศพที่มันเก็บไว้ไม่ได้แนละ้วเก็บไว้แล้วจะเป็นปัญหา ส่วนเวลาทำเวลาเผาศพจะทําบุญด้วยหรือไม่ก็ได้จะเผาแบบเอาไปเผาในป่าของเราคนเดียวไม่ต้องเผาที่วัดก็ได้ไม่ต้องมนิมนต์พระมาะสวดกุศลาก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการเผาศพเป็นการกําจัดศพเอาไปฝังไรก็ได้เนี่ยเรามีรถแบคโฮเราก็เจาะเจาะดินที่ไหนก็ได้ในบ้านเราก็ได้สนามหญ้าเนีเจาะเข้าไป แล้วก็เอาศพฝังเข้าไปก็จบไม่ต้องทาบุญทาทานก็ได้ไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดนี่เป็นเรื่องของการกำจัดซากศพนะฮะทางคนชาวพุทธเราเลยถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทาบุญเพราะเราเชื่อว่าคนตายไปอาจจะต้องการบุญที่เขาเวลาอยู่เขาไม่ได้ทำพอเขาตายไปเขาจะไปเป็นอยู่แบบขอทานเราก็อยากจะช่วยเขาก็เลย เอาโอกาสที่เขาตายนี่มาทําบุญเพราะหนึ่งก็จะต้องอาศัยวัดเป็นที่กําจัดศพอยู่แล้วเป็นที่เผาศพก็เลยเอานิมนต์พระพระท่านจะได้รับประโยชน์จากการทําบุญของเราก็มีเท่านีนนา้เรื่องของการทําบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับงานศพหรือไม่ศพหรอกทําบุญนี่เราทําได้ทุก ง, งานใช่ไหมงานแต่งงานเราก็ทําบุญงานวันเกิดเราก็ทําบุญงานขึ้นวันบ้านใหม่ก็ทําบุญะ มันก็เป็นบุญเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นงานชนิดไหนก็ตามคำถามต่อไปจากคุณโยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับบุคคลที่ทำทานด้วยเงินจากการทุจริตลักขโมยผลแห่งทานนั้นจะเป็นอย่างไรได้ผลแห่งทานเช่นเดียวกับเงินที่บริสุทธิ์ไหมครับเหมือนกันเน่ยเพียงแต่ว่าเขาต้องไปใช้นี่ใช้บาป ชาตหน้าเขามาเกิดเขาได้เงินนี่อาจจะถูกคนเอิงโกงไปเขโมยไปมันมีหนี้ถ้าหาเงินมาด้วยวิธีทำบาปเงินที่ได้มานี้มันเป็นหนี้จะต้องไปใช้หนี้ต่อไปแต่เงินที่หามาโดยไม่ได้ทำบาปมันจะไม่มีหนี้ติดตัวมาเอาไปทำบุญก็ได้บุญเท่ากันเงินที่ขโมยมาเอาไปทำบุญก็ได้เท่ากับเงินที่ไม่ได้ขโมยมาต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่ได้ขโมยมา คนที่ขโมยมาอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์เวลาตายเพราะต้องไปใช้หนี้ในอบายแต่คนที่ไม่ได้ขโมยเงินมาแล้วทำบุญเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ต่างกันตรงนั้นแล้วเวลากลับมาเกิดก็จะไม่ต้องเสียเงินทองที่หามาได้ถ้าหามาด้วยการทำบาปก็เนยอย่างที่ถามเมื่อกี้ถูกเขาโกงไปเนอันนี้ก็ชาติก่อนอาจจะเคยโกงเข้ามาก็เลยชาตินี้เราก็ต้องถูกเขาโกงกลับ คำถามต่อไปจากคุณทิพากรกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะแม่หนูเพิ่งเสียชีวิตวันนี้ตั้งใจจะพิมพ์หนังสือของพระอาจารย์เป็นของแจกในงานไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อที่โรงพิมพ์สินสยามเนี่ยลองเสิร์ชคําว่าสินสยามโรงพิมพ์หรือก็ได้โรงพิมพ์สินสยามแล้วบอกว่าเขาต้องการพิมพ์หนังสือของเราเรามีหนังสือเยอะๆที่เขาพิมพ์อยู่ ก็เลือกเอาได้อยากต้องการพิมพ์เล่มไหนล่าสุดนี่ก็พิมพ์หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นมาแจกเนี่ยนี้ไม่ใช่ของเราประวัติพระอาจารย์มั่นเป็นของหลวงตามหาบัวของเราล่าสุดจะเรียกว่าหนังสือสั ม, มาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเพิ่งเพิ่งแจกมาได้ไม่กี่วันเนี่ยเขาพิมพ์แจกเนื่องในวันเกิดครบรอบเจ็ดสิบเ็ดปี ก็เลยมีการพิมพ์แจกกันถ้าต้องการพิมพ์หนังสือของเราก็ลองติดต่อที่โรงพิมพ์ศิลปสยามดูศิละปะศิลปสยามคำถามต่อไปจากคุณสิริหากเกิดเป็นเปรตแล้วหมดบาปแล้วมาเกิดเป็นคนได้เลยหรือว่าต้องไปเป็นสัตว์ก่อนครับก็แล้วแต่ว่ายังมีบาปอื่นค้างอยู่ว่าปะ นั่นยังมีบาปค้างอยู่ก็ จ, จะต้องไปเป็นเดราฉานต่อไปก่อนก็ได้อันนี้ถ้าไม่บาปมันหมดแล้วถึงจะมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่คำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งการกระทำเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรมเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้อื่นละเมิดสิทธ์เกินควร และเรายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายควรทำไหมเจ้าคะเพราะถ้ายอมเขาหมดเขาจะไม่รู้จักสิทธิ์แล้วจะล้ำเส้นมาเรื่อยๆก็ถ้าเรายอมรับผลที่จะเกิดคือเขาก็อาจจะอาฆาตพยาบาทเราอาจจะจ้างมือปืนมายิงเราตายบางคนเรานี่ม า, าแย่งสิทธิ์กันคนที่เสียสิท์เสียประโยชน์ ก็ไปจ้างมือเปือนแค่ห้าหมื่นเราพร้อมที่จะยอมตายกับกับการที่เขาเสียแค่ห้าหมือนหรือไม่เรืเราคิดว่าชีวิตเรามีคุค่ากว่าก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องชั่งน้าหนักเอาก็แล้วกันบางทีเราคิดแต่เรื่องที่จะรักษาสิทธิ์คิดแตจะเรื่องที่จะสั่งจะสอนเขาจะห้ามปลามเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เราห้ามเราอาจจะห้ามปลามไม่ได้ เราห้ามตามเขาได้ทางกฎหมายแต่เขาจะไม่เขาจะมาเล่นเราทางนอกกฎหมายจะทำยังไงอันนี้ต้องคิดให้หนักคิดให้รอบครอบก่อนว่ามันคุ้มไหมคำถามที่สองนะครับเราควรสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนปัจจัยสี่ กับพระปฏิบัติและพระอริยบุคคลเพื่อให้มีการสืบทอดคําสอนต่อเนื่องและเราควรปฏิบัติให้ได้ด้วยไม่เน้นสร้างโบสถ์วิหารถาวรวัตถุไม่ทราบโยมคิดถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคล แข่งขันถ้าเขาศึกษาปฏิบัติก็ควรจะสนับสนุนเขาพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ยังต้องมีปัจจัยสี่แต่ไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่วัดของท่านไม่ต้องไปสร้างเจดีไม่ต้องไปสร้างถาวรลวัตถุต่างๆสร้างกระต๊อบพอให้อยู่รับแดดรับฝนได้ก็พอให้มีที่ปฏิบัติได้ก็พอ เพราะวัดปฏิบัตินี้ต้องการความสงบถ้ามีการก่อสร้างมากก็จะวุ่นวายมากสร้างแล้วก็ต้องมาซ่อมซ่อมแล้วก็ต้องมาลื้อใหม่แล้วก็สร้างใหม่มันก็จะมีแต่การก่อสร้างตลอดยุคทุกยุคทุกสมัยสถานที่เลยไม่สัปยปายะไม่เหมาะต่อการปฏิบัติเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณสดายุทธ์กราบนามสการพระอาจารย์ครับถ้าขายของเอากาไรถือเป็นการโลภไหมครับ ก็เราต้องกำไรทนแล้วเราจะอยู่ได้ไงล่ะถ้าขายของไม่กำไรก็อยากขายไม่ดีกว่านะเปนหว่ากำไรมากกำไรน้อย het. ถ้าสมเหตุ <c> s <improving> <S สมผลก็ไม่ถือว่าโลคถ้ากำไรมากเกินไปมันก็ถือว่าโลคหรือ น, น่าเลือดอย่างพวกคนที่ปล่อยกู้นี่ธนาคารเขาให้ดอกร้อยละสองต่อปีเราเล่นเก็บร้อยละสองต่อเดือนนี่มันยี่สิบมันต้องสิบสองเท่า ของธนาคารของของมาตรฐานทั่วไปอย่างนี้ก็เรียกว่าหน้าเลือดแต่ถ้าเราคิดเขาตามตามตามมาตรฐานของธนาคารหรือบวกลบนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นความโลภแต่อย่างใดเป็นการทำมาหากินโดยปกติซื้อมาขายไปซื้อของถูกก็ต้องขายให้มันแพงหน่อยถ้าซื้อถูกขายถูกมันก็ไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อก็ต้องขายดีกว่า วมันมีค่าใช้ใจ่ายต้องบวกเข้าไปด้วยค่าเวลาค่าปัจจัยสี่ของคนขายมันต้องบวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปถ้าทาด้วยเหตุด้วยผลก็ถือว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความโลภแต่อย่างใดเป็นความจําเป็นการอยู่ในโลกนี้ต้องมีการทามาหากินเลี้ยงชีพกัน แต่ถ้าคิดว่าถ้ า, ถาได้มามากเกินไปก็เอาไปาทาบุญเสียไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะบางทีสินค้าของเราขายดิบขายดาีแล้วก็เลยได้กำไรมากมายกว่าที่เราเคยคิดเคยคาดนี่ก็เอาไปทาบุญจะได้ประโยชน์ทั้งคนรับและคนให้คนให้ก็จะได้ไปเป็นเทวดาคนรับก็จะได้มีความสุขจากการช่วยเหลือของคนให้ คำถามต่อไปจากคุณกิตติมาขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาค่ะก็ให้พิจารณากายของเราเนี่ยก็เรียกว่ากายในกายหรือว่าพิจารณากายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองสวยแต่ผิวหนังพอเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่น่าดูเลย ใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีน้ำอะไรต่างๆน้ำเหลืองน้ำเหลืองมีปัสสวะอุจจาระนี่นี่คือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยงามจะได้ไม่หลงรักใครพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะได้เตรียมตัวทำเตรียมตัวทําใจรับกับเหตุการณ์ถ้ารับกับเหตุการณ์ได้จะไม่ทุกข์ ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายจะไม่ทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำนมไฟเดี๋ยวมันตายมันก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำนมไฟเราคือใจเราก็ไปเกิดใหม่ท่านั้นเองนี่คือการพิจารณาร่างกายเวทนาก็พิจารณาว่าเวทนาคือความรู้สึกผ่านทางร่างกายมีอยู่สามสุขไม่สุขไม่ทุกข์ทุกข์ มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ร่างกายเวลามันหิวมันก็ทุกข์เนี่ยพอมันกินอิ่มมันก็สุขเวลาที่มันไม่หิวมันไม่อิ่มมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยร่างกายเวลาไปปวดท้องก็ทุกข์ขึ้นมาเวลาไม่ปวดท้องก็ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เกื้อเวทนาที่ป้าทางกายให้รู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เสมอบางทีมันเป็นแล้วก็ ทำให้มันหายไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปเจนเวลาปวดท้องแล้วยังรักษาไม่หายไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยๆจะได้ไม่ทรมานถ้าไปอยากให้มันหายมันจะทรมานหรือไปกลัวว่ามันจะมันจะเป็นมะเร็งมันจะทําให้เราตายมันยิ่งจะทรมานใหญ่ให้ทำใจเฉยๆรือว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้ามันไม่ดับก็ต้องอยู่กับมันไป มันดับช้าดับเร็วไม่ต้องดับเนะี่ยไม่ช้าก็เร็วเวลาตายมันมันดับหมดอน่ะแต่ถ้ายังอยู่มันก็ยังเกิดดับเกิดดับของมันอยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยถ้าเราไม่อยากจะทรมานใจเราก็ให้ทําใจเฉยเฉยแก้ได้ก็แก้แกาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปคําถามต่อไปจากคุณปัดดวงวิ ญ, ญญาณที่จะมาปฏิสนธินั้นจําเป็นว่าต้องเคยมีบุญกรรม กับผู้ที่เป็นพ่อแม่ใหม่เจ้าคะหรือเป็นวิญญาณจร อ, อะไรก็ได้มันก็ตามตามเหตุผลแล้วมั น, ม, นมันความผูกพันมันไม่มีกําลังพอหรอกมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่จังหวะโอกาสเหมือนเวลาเราขับรถหาที่จอดรถนี่เราจะไปเลือกที่จอดรถที่เราเคยจอดได้ปะ่ะไปครั้งนี้อาจจะคนอื่นจอดอยู่เราก็ต้องไปจอดอีกที่ที่มันว่าง เวลาที่เรามาเกิดนี่คนที่เขาจะมาให้กำเนิดกับเราไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเป็นจังหวะที่กาลังกำลังผสมพันธ์กันอยู่ก็อาจจะเป็นก็อาจจะได้โอกาสก็มีเหมือนกันแต่มันยากเหมือนเวลาเราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงรถข้างซ้ายข้างขวาเรานี้คราวหน้าเรามาจอดที่เดิมนี่จะเป็นคันเดียวกันหรือเปล่าตรงสี่แยกไฟแดงเคยเจอคันเดียวกันห เวลามาจากที่สี่แยกไปแดงอันนี้รถทางซ้ายกับรถทางขวานี่เป็นคันเดียวกันหรือเปล่าไม่เป็นคันเดียวกันใช่ไอมนั่นแหละโอกาสที่มันจะเป็นมันก็แบบนั่นแหละออคําถามต่อไปจากคุณปูในใจอยากปฏิบัติให้ถึงที่สุดแต่ตัดห่วงไม่ได้ทรมานใจมากค่ะอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับอ๋อก็ ต้องเริ่มน้อยจากน้อยไปหามากตอนนี้มีดเราไม่คมไงปัญญายัางไม่คมก็ต้องมาฝึกปัญญามันพิจารณาความไม่เที่ยงมันพิจารณาการพลาดพาดจากกันรักกันยังไงห่วงกันยังไงห่วงกันยังไงเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดีอถ้ากินอย่างนี้บ่อยๆต่อไปมันก็งก็จากกันเสี้ยวันนี้ก็ได้วะไม่จากวันนี้มันก็ต้องจากพรุ่งนี้อยู่ดีเอ เราไม่คิดกันเองเราคิดว่าเราจะอยู่กันแบบไม่จากคิดว่าจะเป็นแบบปลาท่องโกไปไหนไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันพลาดพาดจากกันเมื่อช้าก็เร็วไม่จากเป็นก็จากตายให้มันคิดอยู่เรื่อ ย, อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกําลังที่จะตัดได้คําถามต่อไปนะครับจากคุณพีเจ กราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราฝากเงินไปทำบุญแล้วคนรับฝากไม่ทำบุญให้เราได้บุญไหมคะแล้วผู้รับฝากจะบาปไหมเจ้าค่ะเราได้บุญแล้วถ้าเราไม่ไปผูกใจติดไว้กับเงินก้อนนั้นว่าต้องเอาไปทำบุญอย่างเดียวถ้ามารู้ว่าเขาไม่ไปทำบุญเราเสียใจเราจะทวงคืนเราก็จะไม่ได้บุญแต่เราคิดว่าเราเชื่อเขาเขาเป็นคนดีก็จะทาตามที่เราบอกเราถึงฝากเขา ถ้าเราไม่มั่นใจเราคงไม่ไปฝากเขาเมื่อเราฝากก็แล้วเราก็ตัดสินใจไม่ไปยุ่งกับเขาอีกต่อไปเขาจะไปทำไม่ทำบางทีก็อาจจะตั้งใจไปทำแต่เกิดเขาเดินหัวทิ่มตายไปแล้วจะทำยังไงแต่ถ้าเราไม่ติดใจกับเงินก้อนนั้นเราได้บุญแล้วเราเสียสละไปแล้วเราตัดขาดไปแล้วเขาจะไปทำหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไปยักยอกเขาก็จะไปเป็นเปรตต่อไป เขาทำบาปถ้าไม่เอาเงินไปทำบุญตามที่เราบอกให้เขาไปออแต่ถ้าเขาไปเจออุบัติเหตุตายก่อนที่จะไปถึงวัดนี้เขาไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีเจตนาที่จะเอาเงินของเราไปออรับบุญที่เราทำก็ไม่สูญหายไปไหนบุญที่เราทำเราได้แล้วพอเราเสียสละเงินก้อนนั้นไปแล้วแต่ผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็คือวัดเท่านั้นเอง วัดไม่ได้เงินที่เราส่งไปแต่ก็ไม่เป็นไรวัดก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีก็มีไ ม, ม่มีก็อยู่ไปตามมีตามเกิดไปเพราะฉะนั้นเวลาทาบุญขอให้เราตัดใจนะพอให้เขาไปแล้วอย่าไปคิดยังเป็นของเราอยู่ถ้ายังคิดเป็นของเราอยู่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ขาดยังไม่ได้ให้คำถามต่อไปจากคุณวิน ล, ลีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในขณะนั่งสมาธิ ร่างกายจะเกิดวูบและหลังจากนั้นเห็นภาพมีแต่คนตายอยากทราบว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมครับยังไม่ถูกถ้ามันวูจริงมอนต้องนิ่งสงบว่างถ้ายังเห็นหนูน่นเห็นนี่อยู่ก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ต้องกลับมาดูลมต่อถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับภาพเหตุการ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ คำถามต่อไปจากคุณสราวดีวิธีการระงับความโกรธควรทำอย่างไรท่องพุโทโธแล้วยังไม่หายเลยค่ะก็เดนนีเลยถ้าโดนนีอย่าไปอยู่ใกล้เหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้ายังไปคิดถึงเขาก็ต้องพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆ พุโทโธจนกว่าจะหายถ้ายังไม่หายก็ต้องพุโทโธต่อไปเหมือนกินยาเนะี่ยกินเม็ดสองเม็ดแล้วจใจมันหายได้ไงใช่ไหมก็ต้องกินไปจนกว่าโรคมันจะหายถึงจะหยุดกินได้พุโทโธนี่เป็นเหมือนยาเพราะฉะนั้นอยาขี้เกียจกินยา การยังไม่หายก็ต้องพุทโธต่อไปไม่ใช่คิดว่าพุทโธรสองคำแล้วจะหายมันไม่หายหรอกพุทโธรสองคำก็กลับไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธมันก็ไม่มีวันหายเราต้องเลิกคิดถึงคนที่เราโกรธมันถึงจะหายจะเลิกก็ต่อเมื่อเราไม่ปล่อยให้มันไปคิดถ้ามันไปคิดถึงคนนั้นเราก็ต้องพุทโธต่อไปต้องพุทโธไปจนกว่ามันจะเลิกคิดถึงคนนั้นเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็จะหายคําถามต่อไปจากคุณตุ้ม ขอเรียนถามพระอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติถึงระดับจิตพระอนาคามีแล้วต้องปฏิบัติต่ออย่างไรจึงจะสำเร็จจนบรรลุพระอาหารหันต์ได้ก็ต้องลสังโยชนิฆ้าข้อพระอนาคามีละได้ห้าข้อแรกยังมีอีกห้าข้อหลังยังละสังโยชนเบื้องบน สังโยชน์เบื้องตามละได้แล้วคือวิจิกิชฉาศิลปัตตะปรามาสกายาทิทิฏฐิปฏิทะราคะละได้หมดแล้วแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปราคะาอรูปราคะอวิชฌาอวิชา า, ชามหามานะแล้วก็วิอะไรตัวหนึ่งไอตัวฟุง้งซ่านเนี่ยยังมีีกาตัวอยู่ต้องไปละไอค่าตัวถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ คำถามต่อไปจากคุณสมเกียรติกราเปียนถามพระอาจารย์ครับการตัดสังโยชน์สามมีอะไรบ้างครับก็สตัยยทิฏฐิศีลปัตตป a r a m วิจิกิจฉาความศีลพัตตาวิจิกิจฉาแล้วก็สตัยยทิฏฐิสกายทิฏฐิก็คือการไปมองว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาเป็นตัวเราของเรา มันไม่ใช่มันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไม่มีตัวตนเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายมาสัมผัสกับเวทนาคนละคนกันความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเกิดจากการที่เราได้ปฏิบัติเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนละละสักกายทิฐิได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรม พอเห็นธรรมเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระสงฆ์นี่เอส่วนศีลรัพรตพัตตปรามาส ก, ก็จะไม่สงสัยในเรื่องของบทแห่งกรรมเหรือว่าทําบาปแล้วจะต้องรับผลบาปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่อยากจะไปรับผลบาปก็อย่าทําบาป ก็จะรักษาศีลอย่างเด็ดขาดพระโสดามันนี้จะรักษาศีลอย่างเด็ดขาดเพราะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นกฎแห่งกรรมทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปไปเกิดในบายทําบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าหยุดตีเลตันหาละสังโยได้ก็ไปนิพพานอันนี้เป็นการเห็นธรรมของพระโสดามันทําให้ท่านไม่ไม่มีศีลับพัตาประมะท่านจะรักษาศีน ท่านจะไม่รักษาอย่างอื่นรักษาศีลจะต้องเลือกระหว่างศีลกับอย่างอื่นก็ยอมเสียสละอย่างอื่นไปคําถามต่อไปจากคุณนักราชพระอาจารย์ครับบุญจากการทอดกรถินกับบุญจากการภาวนาต่างกันอย่างไรครับมันบุญที่อยากภาวนาะมันมีน้ําหนักมากกว่ามันอิ่มกว่าสุกว่าบุญที่เกิดจากการทําทาน แต่บุญที่เกิดจากการทําทานมันง่ายกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาเหมือนเรียนปริญญาตรีมันง่ายกว่าเรียนปริญญาเอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ปริญญาเอกมันก็ต้องต้องเรียนมากกว่าเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาเอกนี้ต้อง12ปีต้อง11ปีปริญญาตรีแค่4ปีทําทานสักกระเป๋าเงินร้อยใส่บาตก็ได้บุญแล้ว แต่นั่งสมาธินี้บางทีห้าปีสิบปียังไม่สงบเลยเพราะะฉนั้นเราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราทําอย่างไหนได้ก็ทําอย่างนั้นไปก่อนอยากคิดว่านั่งภาวนาแล้วได้บุญเยอะอะไรไม่เอาภาวนาดีกว่าเสียดายเงินด้วยจะได้เก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นได้ถ้าอย่างนี้เราไม่มีวันที่จะภาวนาได้ผลหรอจะไม่ได้บุญงั้นเอาบุญที่เราทําได้ง่ายก่อนดีกว่าต้องทําทานก่อนแล้วก็บุญจากการรักษาศีล ที่ยากกว่าการทำทานแต่ง่ายกว่าการภาวนาต้องทำเป็นขั้นตอนไปแต่หัดนั่งได้ให้นั่งสมาธิได้แต่อย่าไปคิดว่านั่งสมาธิแล้วจะได้บุญทันทีเพราะถ้ามันยังไม่สงบมันไม่ได้บุญหรอกคำถามต่อไปจากคุณสิวกกรกราบน้ำมัสการพระอาจารย์ครับ การที่เรานั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมในเวรจะต้องมีจิตอธิษฐานอย่างไรถึงจะมอบผลบุญกุศลได้มากที่สุดครับเออไม่ต้องอธิษฐานจิตแตอย่างใดบุญกุศลมากน้อยอยู่ที่การให้มากน้อยทำบุญมากน้อยทำบุญน้อยจะไปอธิษฐานมันมากไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่ทามากก็ได้มากทาน้อยก็ได้น้อย แยไม่ต้องไปอธิษฐานถ้าอยากให้กอรล้มได้บุญมากก็ทำบุญให้มากคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วเข้าใจว่าธาตุสีเวลาอยู่เดียวๆจะสะเทียนแต่เวลาธาตุสีรวมกันแล้วจะแยกออกเช่นร่างกายหรือสิ่งต่างๆเวลาตายหรือหมดอายุถึงเน่าอสุภะเสื่อมสภาพ อันนี้เป็นหลักของไตรลักษณ์ล้วนๆใช่หรือเปล่าคะใช่นะะั่นแหะเป็นกฎของธาตุสี่ธาตุสี่เขาจะไม่อยู่รวมกันนานเขาอยากจะแยกอยู่เขาอยากจะอยู่ตามลําพังของเขาน้ําอยากจะอยู่กับน้ํานมอยากจะอยู่กับนมแต่บางทีมันมีเหตุการณ์บังคับให้มันมารวมกันเช่นฝนตกมานล ง, ลงบนพื้นดินมันก็มีการทําให้เกิดต้นหญ้าใบไม้ขึ้นมาเพราะมีแสงแา ด, ดความร้อนมีลมอากาศหายใจมาผสมด้วย แต่มันแค่พยายามจะแยกตัวกันอยู่เรื่อยๆพอขันส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันก็จะแยกกันทันทีพอไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้นั้นก็ตายไปหรือไม่มีอากาศหายใจมันก็ตายไปหรือไม่มีความร้อนพอถ้าหิมะตกลงมาเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุสี่แล้วแต่การผันเปลี่ยนผันเปลี่ยนไปของธาตุทั้งสี่ว่ามัน มันมาทำให้มีการรวมตัวหรือไม่ถ้ามีการรวมตัวครบเมื่อไหร่มันจะเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาพอมันเวลามันแยกไปมันก็จะล่มสลาย ห, หายไปหมดคำถามต่อไปจากคุณดีดีเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าระหว่างเดินเราใส่หูฟังเปิดเพลงธรรมะฟังไปด้วยหรือไม่ต้องฟังเลยให้ตั้งใจเดินให้มีสติ กับการเดินอย่างเดียวดีครเดินอย่างเดียวดีกว่าสมัยพุทธกาลไม่มีหูฟังไม่มีเพลงธรรม ะ, ะมีแต่สติอย่างเดียวอเอาสติอย่าไปมีอะไรให้มายุ่งยากเลยเดี๋ยวเกิดเพลงหมดเพลงจบหรือเครื่องเสียก็เดี๋ยวจะเดินไม่ได้ใช่ไะเพอไปติดกับเพลงธรรมะใช่ไมงั้นอย่ามีอะไรของที่อยู่นอกกายนอกใจเลยเอาของที่มีอยู่ในใจนี้พอละเอาสติตัวเดียวนีพอลอะเอาคาถามสุดท้าย คำถามจากคุณดีประเสริฐกราบนมันสการพระอาจารย์ครับเรียนถามว่าการกำจัดอนุสัยต้องทำอย่างไรครับก็ต้องขอหยุดมันได้เรื่องนิสมีนิสัยชอบสูบบุหรี่ก็ต้องพยายามเลิกมันมีนิสัยขี้โลภขี่โกรธเนืนิสัยอิจฉาหรือสยาก็ต้องพยายามฝืนมันอย่าไปทำตามมันฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหายถ้าปล่อยทาตามมันมันก็จะไม่หาย นิสัยอนุสัยร อ, อะไรต่างนี้มันเกิดจากการที่เราทําอะไรซ้ําๆำซักๆมันก็จะฝังเป็นนิสัยขึ้นมาถ้าเราอยากจะเลิกมันเราก็ต้องอย่าไปทํามันซ้ําๆซัก ซ, ก ซ, กซกเลิกทํามันไปแล้วต่อไปนิสัยนั้นก็จะหายไปเอาล้วนีวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณา